196. อาสาโทลส ก, กะว่าด้วยการเดาะกระถินเพราะความสงหวังส2องกรณี 319. ิกภิกษุกรานกระถินแล้วหลีกไปด้วยหวังว่าจะได้จีวรคิดว่าจะกลับอยู่นอกสีมาเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวรได้ตามที่หวังไม่ผิดหวัง มีความคิดอย่างนี้ว่าจะให้ทำจีวร น, นี้นอกสีมานี่แหละจะไม่กลับให้ทำจีวร น, นั้นการดอกกระถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากำหนดด้วยทำจีวรเสร็จภิกษุกรานกระถินแล้วหลีกไปด้วยหวังว่าจะได้จีวรคิดว่าจะกลับอยู่นอกสีมาเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวัง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 ภิกษุกรานกระถินแล้วหลีกไปด้วยหวังว่าจะได้จีวรคิดว่าจะกลับอยู่นอกสีมามีความคิดอย่างนี้ว่าจะเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวร น, นอกสีมานี่แหละจะไม่กลับเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวร น, นั้นความหวังที่จะได้จีวร น, นั้นของภิกษุนั้นสิ้นสุดลง การเดาะกระถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากำหนดด้วยสิ้นหวังภิกษุกรานกะถินแล้วหลีกไปด้วยหวังว่าจะได้จีวรคิดว่าจะกลับอยู่นอกสีมาได้ทราบข่าวว่าในอาวาสนั้นกะถินดอกเสียแล้วมีความคิดอย่างนี้ว่าเพราะในอาวาสนั้นกะถินดอกเสียแล้ว จะไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวร น, นอกสีมานี่แหละเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวร น, นั้นได้ตามที่หวังไม่ผิดหวังมีความคิดอย่างนี้ว่าจะให้ทําจีวร น, นี้นอกสีมานี่แหละจะไม่กลับให้ทําจีวร น, นั้นการเดาะกระถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากําหนดด้วยทําจีวรเสร็จ ิสุกรานกรถินแล้วหลีกไปด้วยหวังว่าจะได้จีวรคิดว่าจะกลับอยู่นอกสีมาได้ทราบข่าวว่าในอาวาสนั้นกรถินเดาะเสียแล้วมีความคิดอย่างนี้ว่าเพราะในอาวาสนั้นกระถินเดาะเสียแล้วจะไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวร น, นอกสีมานี่แหละ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 อยู่นอกสีมาได้ทราบข่าวว่าในอาวาสนั้นกรถิ่นดาะเสียแล้วมีความคิดอย่างนี้ว่าเพราะในอาวาสนั้นกรถิ่นดาะเสียแล้วจะไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวรนอกสีมานี่แหละเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวรนั้นได้ตามที่หวังไม่ผิดหวัง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 ไม่ผิดหวังให้ทําจีวร น, นั้นทําจีวรเสร็จแล้วได้ทราบข่าวว่าในอาวาสนั้นกรถิ่นดาะเสียแล้วการดอกกรถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากําหนดด้วยได้ทราบข่าวภิกษุกราญกรถินแล้วหลีกไปด้วยหวังว่าจะได้จีวรคิดว่าจะกลับอยู่นอกสีมา